หมวดที่4ภิกษุทั้งหลายนิยะสะกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งลงต่อหน้า 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลาย